ตอนนี้ไปพึงพากันฟั่งใจตั้งใจให้สงบความไม่สงบนี่แหละมันเป็นทุกข์ใจสงบแล้วก็เป็นสุขสบายอย่าไปคำนึงอย่างอื่นเลยอย่างอื่นนั้นเราบังคับให้มันสงบไม่ได้ เป็นอย่างร่างกายอย่างนี้นะเราจะบังคับให้มันสงบนิ่งนิ่งอยู่ไม่ให้มันเคลื่อนไหวอะไรอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้เลยทางนี้ก็เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆหมุนไปหาความแตกความดับนั่นเองแต่ส่วนจิตนี่สามารถ ทำความสงบให้เกิดมีได้แต่ผู้นั้นเป็นผู้มีความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเป็นผู้มองเห็นโดยตนเองแล้วว่าสุขทุกข์ก็ดีมีแต่จิต ด, ดวงเดียวเป็นผู้เสวยนอกกากจิตแล้วไม่มีใช้กายทำใช้วาจาพูด ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ใจเป็นผู้รับส่วนบุญนั้นถ้าทำชั่วพูดชั่วก็ใจมันเป็นผู้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็ใจดวงเดียวถ้ามันน้อมคิดไปทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางหนึ่งเป็นอย่างนั้นมาได้เรามาฝึกจิตนี่นะฝึกเพื่อไม่ให้มันคิดไปทางบาป อ, อกุศล ให้มันดำริอยู่ในทางบุญทางกุศลเช่นอย่างว่านึกถึงความตายเป็นอารมณ์เกิดสังเวชสะรถใจในความตายของร่างกายสังขารอันนี้แล้วก็เบื่อหน่ายเพราะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์มเมื่อแล้วพารณาถึงความตายอย่างนี้แล้ว มันก็มันก็มองเข้าไปถึงอนัตตลัคณะฌานอนัตตลัคณะยานแปลว่ายานอย่างรู้ว่าทุกสิ่งุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนนี่แหละผู้พิจารณาความตายอย่าพิจารณาแต่ผิวเผินเฉย พิจารณาเข้ามาภายในน้อมสติอย่างเข้าไปถึงจิตจิตก็จะวินิจฉัยเรื่องตายอย่างนี้นะอันตายนี่มันเป็นมหาภัยอันใหญ่หลวงมนุษย์อสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งต่อความตายไม่มีใครไม่กลัวตายไม่มีเลยมีแต่พระอระหรัน จำพวกเดียวเท่านั้นที่ไม่กลัวตายเมื่อภายยังคมตายมาถึงเข้าท่านก็ไม่หนกตกใจไม่มีพิได้ลำพันธ์อะไรต่ออะไรท่านย่อมกาหนดใจอย่างเดียวแล้วเอาใจมาพิจารณาสังขาร น, นามรูปที่มันแปรปวนมันกำลังจะแตกกระดับอยู่เนี่ย ะเมื่อใจสงบแล้วเพ่งพิจารณาร่างกายสั้งขาหนีมันก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงความมีบัตรแปลปวนไปของร่างกายเห็นแต่ความทุกข์ตอนยากลําบากของร่างกายเห็นแต่ความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแห่ง รูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งต่างในโลกนี่มันเกิดมีมาขึ้นโดยลำพังแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนไปโดยลำพังต้องให้เข้าใจมันเกิดมาโดยลำพังหมายความว่าบุญกรรมนั่นแหละพายมาเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงมายังเยิน มันวิบัติแปลโปนไปหาความแตกดับเมื่อแตกดับแล้วลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำของเรามันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรเลยเมื่อกระดูกไปอยู่ในขวดโหลอยู่ในช่องกระดูกแห่งใดแห่งหนึ่งก็มีเท่านั้นแหละสำหรับลูกหลานเมื่ อ, อระลึกถึงมา แล้วก็จะได้ดอกไม้ทุกเทียนมาจุดปูชากราบไหวนอกเหนือกว่านั้นก็จัดทัยทานมาบังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลให้ไปหาผู้มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ผู้เช่นนี้เรียกว่าเป็น คนมีกัตัญญูกัตเวทิตาธรรมอยู่ในใจเป็นผู้ไม่ลืมบุญ ล, ลืมคุณของท่านผู้มีอุปการอุปการะแก่ตนดังนั้นเมื่อลุกทุกคนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีแก่นสานอะไรแล้วอย่าไปยึดถือมันสอนจิตให้ปรงให้วางเข้าไป ให้ใจเข้าถึงความสงบไม่ยึดถืออะไรแล้วเช่นนี้นั่นไอความทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีคอยเข้าใจความทุกข์ทางใจทางใจมันมีได้เพราะว่าใจเขาเ้าไปยึดถือขันหน้าหีือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา หรือว่ายึดถือรามปามออกไปถึงภายโนอกนั่นหมายงการผิดคิดว่าเป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นวิบัติแปรโฟวนไปจิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพากันฝึกหัดพอทำความพอใจอินดีในความสงบ สงบกายสงบวาจานั่นนี้ว่าสงบจากบาปโทษโทษไม่ไม่สะสมบาปกรรมไว้ในดวงจิตนี้นี่ทนท่านจึงเรียกว่าสงบกายวาจาคือกายวาจาไม่ทำบาปนั่นเองเช่นฆ่าสัตวรักทรัพปรกัพิษเิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมลัยกัญชายาผิ่นเฮโร อ, อ, อ, อนีน โมนีมันล้วนตั้งแต่สร้างบาปอากุศลขึ้นในจนทั้งนั้นเลยทั้งนี้ก็เนื่องมาแต่จิตใจไม่สงบนั่นเองถูกกิเลสมันปันป่นจิตใจเอาฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเลยไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อ บ, บาปโทษมนทินต่างๆถึงข่าสัตส์สัตว์ชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ก็ทำได้ ล่อลวงท่อโกงหรือจี้ปล้นเอาสมบัติพืนเอาเป็นของตนมันก็ทำได้ก็ไม่กลัวบาปนีมลูกใครเมียใครผัวใครเมื่อต้องการแล้วก็เที่ยวพาราณานะสีเข้าไปไม่กลัวละเรื่องบาปกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่แหละคนเราเนะ่เมื่อมันมืดมนอนตการขึ้นมาแล้ว บาปมันก็ยอมรับยอมเป็นสวยบาปสวปิทุก์สวยวิาปากกรรมคือความทุกข์นั้นอย่างนี้เนี่ยม้การกล่าวว่าเจ้าพูดปดมดเท็จก็เพื่อหวังให้ได้เงินได้ทองเข้าของมาด้วยการหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นที่เขามีปัญญาน้อยกวัวตัว เอาไปเที่ยวหลอกลวงเอาโุนีนะมันก็รวนตั้งแต่บาปทั้งนั้นเลยบาปทางวาจาปัญญาชนเขาจะไม่พูดปร้ำปราไปอย่างนั้นเลยก็้ะมีขอบเขตมไม่เห็นแก่ได้แกด่ดีโดยส่วนเดียวได้อะไรมามากมายกายกองแล้วเอาไปด้วยเหรือไม่มีทาง ความตายมาถึงเขาแล้วก็พัดพักจากของรักของชอบใจที่ตนเอาบาัตเอาบาปเป็นทุนแสวงหามาได้นั้นน้ำไม่ซ้ำจิตใจไม่มีที่พึ่งแล้วก็ว่าเวเวลาชวนจะตายก็เล่ล่อนจิตใจไม่มีความสุขเลยทีนี้ถ้าหากว่ามันส่งกระแส จ, จิตไปยึดอะไรภายนอกโย เอาสิ่งภายนอกที่ตนรักตนชอบใจเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่พ้นทุกไปได้มันมีแต่ทุกข์ทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆอัเป็นงานเรื่อมมานนะ่ะแม้ของเสพจิตให้โทษต่างๆก็เหมือนกันนะบุคคลไม่รู้เท่ามาเห็นโทษของมันอนะ่ะเลยสำคัญว่ามันอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ ันยิงชอบใจกับมันอไอความสุขของบุคคลผู้ดื่มน้ำเมาหรือกัญชายาผินเนโรอินต่างๆหมดนั่นนะเป็นความสุขชั่วคราวชั่วพางช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองวันนี้คนไม่รู้จักหนทางความสงบสุขทางด้านจิตใจว่าเป็นสุขมันก็ไปติดสุขชั่วคราว ไปอย่างนั้นแหละสุขทั่วข้าวบางอย่างก็ให้ได้ทําบุญกุศลบ้างบางอย่างก็ให้เลยทาบาปอันเป็นเปิดหนทางไปสู่นรกอบายภูมิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาททำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองขึ้นได้ใครไม่ปฏิบัติไม่ได้เลยอืม ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงเล่าก็บุญบามันเกิดที่จิตเมื่อไม่รู้จกจิตก็ควบคุมจิตไม่อยู่ควบคุมจิตไม่ได้แล้วขอมืดมนนะไม่รู้จะกก็บาดไปยังไงบุญไปยังไงคุณโทษไปยังไงอริยสัจสคืออะไรก็ไม่รู้เลยอืในนี้แหละก็เราต้อง ภาวนาสิอยากรู้นะอย่าไปห่วงแต่ความสุขชั่วกราวเท่านั้นเดี๋ยวก็ได้ภา ก, ากากมันไปแล้วจะไปห่วงทำไมอ่ะเมื่อร่างกายนี่มันทนทานอยู่ไม่ได้แล้วไอ้จิตใจมันจะไปอยู่ที่ไหนวันี้มันก็หนีออกจากร่างนี้ออกไปเท่านั้นเนี่ยไปหาที่เกิดเอาไหมท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็ไม่ไปไหนมาไหนแล้ววันนี้จิตของท่าน บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันตายแล้วก็เข้าสู่นิพพานเรียกว่าดับกิเลสตัณหาสารพัดแต่ความทุกข์ทางปวงได้หมดเลยมีแต่จิตใจสงบอยู่ด้วยความสุขความสุขอันไม่เจือปนอยู่ด้วยกิเลสท่านเรียกว่านิลามิตรสุขสุขไม่ได้อิงอาศัยกิเลส ในพนิพภานเป็นอย่างนั้นในโลกทั้งสามนี่นะใครจะได้เสวยสุขอยู่ในโลกใดก็ตามก็ต้องยึดถือเอาธาตุที่เราสามารถยึดถือเอาได้นั่นแหละ mm hmm. ก็เพราะว่าอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสนั่นเองแล้วเมื่อมันเกิดขึ้น จากรูปเป็นต้นเหล่านั้นแล้วมันจะย่งยืงยนมาที่ไหนรูปทั้งหลายนั้นก็ไม่ย่งยืงยนแล้วธรรมารมที่จิตยึดถือเอาเกิดขึ้นกับใจทาไม่ใจวิตกวิจาร์ไปในเรื่องนั้นนั้นสงบลงไม่ได้ออย่างนี้นะก็หมายความว่าบุคคลผู้ไม่ฝึกตนนะไม่ทำใจสงบไม่มีปัญญาไม่รู้แจ้งความจริงของชีวิตตามเป็นจริง เหตุฉะนั้นคนทั้งหลายจึงได้เทียวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้โลกหน้าหมุนเวียนเป็นวงวงกลมอยู่อย่างนี้นะดังนั้นให้พึ่งพากันสำเหนียกดังจะเล่านิทานให้ฟังมีพระภิกษุองค์หนึ่งบวชเข้ามาแล้วเพื่อ น, นั่งอยู่ในห้องก็ดีนั่งอยู่นอกห้องก็ไม่มีเอ็นหลังเลย ไม่ได้พิงอะไรทั้งนั้นเลยพิสูงนหลายเห็นแล้วก็นึกถึงใจนะเอท่านลุกลูปรูปนี้ทำไมถึงมีตริยบทนั่งอย่างเดียวแม้อยู่ในห้องผู้เดียวพระองค์ก็นั่งท่านก่อ น, นั่งตัวตรงอยู่นะพระทั้งหลายไปจอบฟังไปดักฟัง เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็มาทูลพระศาสดาพระองค์พิจ่พิาแล้วก็รู้แจ้งชัดว่าพระองค์นั้นนะ่ะตั้งแต่ก่อนเคยเกิดเป็นรือเป็นราชสีมหาหลายชาติธรรมดาราชสีเนี่ยเวลานอนก็ต้องเอาเท้าเลื่อมเท้าทั้งสี่เท้านั่นแหละแล้วนอนตะแคงข้างขวา ในเมื่อหลับไปถ้ามองเห็นว่าขาแข้งเหล่านี้มันไปคนอาทิตย์าทางกันไม่ไม่ติดกันอยู่ในปัจจุบันนั้นหรือสีราชาสีนั้นก็ไม่ก็ตำหนิตัวเองว่าทำไมอะ่ะจึงไปนอนไม่มีระเบียบอย่างนี้อเอาชอบนอนก็นอนสิเราจะไม่ไปหากินที่ไหนมาเลี้ยงชีพแล้ว เอาแต่นอนนี่อย่างเดียวจนกลัวว่าการนอนนี่มันจะถูกระเบียบคือจะแค ง, งข้างขวาเท้าเหลื่อมสะเท้าอยู่แล้วมีสติสมัมปชัญญะอยู่นีนะรัชสรีนั่นจะต้องฝึกตอนอย่างนั้นจนว่าตอนนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาแล้วก็จึงมามองเห็นสิ่งทั้งกองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืน ร่างกายต่างๆนี้ล้วนตั้งแต่มาอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งนั้นเลยอันนี้ลนะ่ะท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสงบเหมือนย่งท่านองค์นั้นแหละพระองค์เจ้าเมื่อได้รับคำกราบทูลจากพระภิกษุสงฆ์แล้วก็จึงพยากรณ์ว่า พระองค์นี้แต่ก่อนเคยเกิดเป็นราชสีมาทั้งสามสิบชาตินิสัยอันนั้นติดตามมาจึงให้เป็นเหตุด้ท่านนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วพระองค์ก็ทรงตัดภาษิตขึ้นว่าสันตะกายโยสันจะวาโจสันจะมะโนสมาหิโตสัพปุริสาโลเก แปลว่าผู้มีกายอันสงบผู้มีใจวาจาสงบเป็นผู้มีใจสงบคลายกิเลสตัณหาทั้งสิ้นแล้วเราจะถาโคตรกล่าวว่าเป็นสัตจบุรุษในโลกดังนี้พระภิกษุรูปนั้นได้ฟังพระองค์แสดงถึงความสงบทางกายวาจาใจ แล้วก็ทรงแสดงทางวัฒศนาให้พิจารณารู้แจ้งขันหน้าว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาจะไปหลงไหล ย, ยึดถือว่าเป็นตัวของเราไม่ได้ถึงยึดถือได้ก็มันก็เอาติดตามไปไม่ได้มีแต่จิตทวงใยอะไรลกเวียนไปมาอยู่ในบ้านของตัวเองไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าอุปทานมันมี ต่อพีน่นาะต่อเมื่อมารดาบิดาญาติกาวงศาได้ทำบุญกุศลแล้วอุทิศให้แก่ประชาชนดังกล่ามานั้นเมื่อเขาได้รับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วเขาก็ไปเกิดสวรรค์มีอายุยังยืนนานมีความสุขสำราญส่วนพระสาวกองค์นั้นเมื่อพระองค์เจ้าสร รัรมเทศนาจบลงทั้งกระได้บรรลุอรหัตตาพลดับขันเข้าสู่พนิพานไปนี่นะให้เข้าใจกันว่าการทำความสงบนี้นับว่าเป็นทางพ้นทุกขโดยรวบยอดเลยประเดียวเป็นอย่างนั้นสงบกายกายสงบจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ ก็พื้นผิดใจกลามดื่มสุราเมรยัยกัญชาจจเจ้าพิเนโรอินเว้นให้หมดเลยอย่างนี้แล้วกายมันก็สงบจากความกระจับกระายเมื่อไม่ได้บริโภคมามันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจละเสียแล้วมันมันก็ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นอย่างนั้นดังนั้น่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงถึงความสงบการที่ไม่ทำบาปฆ่าตัดชีวิตเป็นต้นนั้นก็เป็นความสงบอันหนึ่งนี่นะ <c oughs> การที่บุคคลมาภาวนาพึ ก, กจิตใจที่พุ่งสั่นเรื่อนลอยให้เข้าถึงความสงบระงับจนสามารถละอาสวักิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ อันนี้เรียกว่าเป็นความสุขความสงบอันยอดเยี่ยมไม่มีสุขอื่นเสมอนี้เลยหรือยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีเป็นที่สูดแห่งทุกข์ท่านเรียกว่าพานิพานนั่นแหละคือที่ที่สูดแห่งทุกข์เมื่อใครไม่ประมาทระลึกได้อย่างนี้แล้วก็พากันพยายามชื่นชมยินดี กับในความสงบนั้นอย่าประมาทประมาทไม่ได้เผลอนิดเดียวเป็นหลงเลยดังนั้นเราทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอนั่นแหละอันนั้นเป็นเหตุให้การบำเพ็ญสมาธิภาวนาก้าวหน้าไปเลยเพราะว่าเมื่อสติยังเข้าไปถึงจิตไปสอนจิตไถล นี่บอลนิบราณะธรรมห้าอย่างนั้นได้แล้วจิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ววันนี้อา้าวประชัยปัญญาสอนใจให้ปรุงให้วางขันหน้าที่ตนยึดถือมานมนานกาเลแล้วนี้มันไม่มีความสุขอะไรเลยมีความสุขก็สุขชั่วคราวมักจะมีความทุกข์นั่นมากมายกายกองเกิดมาแต่ละชาติละภพอ่า เพศเจรนาด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางอุปท า, านคือความถือมั่นในขันหานี้ได้เมื่อมันวางได้จิตมันก็รวมลงถูกพบเดิมเข้ามานุง่งพบเดิมคือได้แก่จิต ป, ป, ปฏิสนธิในรูปร่างกายอันนี้นะนั่นเนี่ยจิตอย่างลงไปถูก พ, พบเดิมแล้ว ก็มีความสงบสุขอันยอดเยี่ยมเลยเพียงแต่ว่าก็ยังยังไม่บรรลุถึงบริพานนะเพียงแต่เกิดความรู้ความเห็นขึ้นอย่างว่านี้แล้วแล้วก็อาศัยวัตถุบางอย่างเป็นพยานว่ารูปนี้นะ่ะมันไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเอง อุปมาเหมือนอย่างหม้อที่นายช่างเขาปั้นเขาทุบให้ละเอียดจนว่าดินนั้นอัดกันเข้าแน่นแล้วอย่างนี้เอาไปตากแดดให้แห้งพอสมควรนะครับเอามาเข้าเตาเผาถ้าตากแหตากแดดแห้งเกินไปจึงเผามันกระทนความร้อนไวไหวก็แตกแล้เรียกว่าผู้ชลาดนั้น ทำให้ไม่ร้อนนักไม่หนาวนักเรียกว่ามีจิตใจรู้เท่าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันจะทุกข์จะร้อนอย่างไรตนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าจิตสงบจากไม่วอนห้าอยู่แล้วร่างกายจะวิบัติเปลี่ยนแปลงไปยังไงจิตก็ไม่ไหวไปตาม อันนี้แหละตอรอเพื่อพรศาสดาทรงสอนให้เราเจริญมรรคมิยงแปดประการเมื่อเจริญให้มากทำไม่มากเข้าไปในมรรคแปดประการนี้ก็สามารถที่จะละกิเลสได้ในขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ชงพาการ พ, พ, พ, พิจารณาให้ดีแต่ชีวิตนี่มันเกิดมาได้ยากจริงๆนะการเกิดมาเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์พุนสุกนี่ไม่ง่ายนักก็ให้เข้าใจถ้าบุญกุศลไม่มีแต่ชาติก่อนแล้วหากว่ามีบ้างและบาปบ้างอย่างนี้นะทั้งบุญทั้งบาปก็นำจิตนี่มาเกิด เกิดแล้วบาปก็แต่งอวัยวะร่างกายให้สำรุดทรุดทอมวิบัติไปเช่นแขนด้วนขาด้วนเป็นต้นอย่างนี้นะเหล่านี้มันร้วนทั้งแต่จิตใจยึดเอาอากุศลมาแต่ชาติก่อนนน่นอกุศลนั้นถ้าจิตเปิดทางให้แล้วมันก็เข้ามาครอบงาจิตนี้ได้หมายความว่างั้นถ้าจิตไม่เปิดทางให้มัน ไม่วิตกวิจารไปในเรื่องชั่วร้ายาต่างๆนานาแล้วบาปประมหรือความโกรธต่างๆนั้นมันไม่มันไม่ได้ช่องได้โอกาสเพราะมันมีบุญกุศลเป็นเครื่องกั้นกลางอยู่เช่นนี้แล้วบาปอากุศลยังเกิดขึ้นในจิตไม่ได้แล้วเว้นผู้เว้นจากการดื่มน้า ดองของเมาคือสุราและเมตไลกัญชายาฟิ่นเฮโรอินโมนีผู้ภาวนาไปเห็นโทษของการทำบาปดังกล่าวมานั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัด ก, กินดีในการที่จะไปทำบาปทากรรมเช่นนั้นออกไปจาก จ, จิตใจเป็นอย่างนี้แหละการที่บุคคลมาพิจารณาเห็นอานาจแห่งความสงบว่าเป็นสุขอันยอดเยี่ยม อย่างนี้แล้วเราไป็นสแวงความสุขอย่างนั้นที่ที่อื่นนอกจิตนอกใจนี่ไม่ได้เลยไม่พบจึงเป็นจําเป็นต้องหาเอาในใจนี่เองเพ้อเพอจิตดรงนี้ดวงเดียวนี่แหละให้มันเข้าถึงความสงบระ ง, งับในเบื้องต้นเนี่ยสงบจากนิวรณ์ห้าสักก่อนอยวพากันนิ่งนอนใจเพราะว่าใจหมักหมมเอากิเลสมาไว้มากตัวมาก แล้วเราทำความเพียร น, น, นิดหน่อยจะให้บุญกุศลสติปัญญาไปปราบกิเลสเหล่านั้นให้ลาบคาไปไม่ได้เลยยิ่งปราบก็ยิ่งหลายขึ้นเหมือนอย่างยาคาบุคคลไปตัดโคนของมันเอามาเอามาผูกทำเป็นยาเป็นตับแล้วมุงราคาเรือนก็ได้อยู่แต่ว่าเชื่อมันมีสิแบบนี้นะ ไม่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งสองวันสามวันนะมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วอ่ามันเป็นอยู่เนี่ยเรื่องยากาสมกับชื่อจริงๆมันคาอยู่ในโลกนี้นั่นเนี่ยจิตใจนี่ก็ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปยึดถือเอาสิ่งภายนอกมาเป็นอารมณ์หรือว่ายึดถือเอาขันหา้ามาเป็นอารมณ์เป็นตัวเป็นตนอยู่จอยู่ตราบใดแล้ว ความทุกข์มันก็ยอมติดตามไปอยู่ตราบนั้นก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบเพื่อเสียแต่ที่จะได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนในละอุปท า, านความยึดถืออย่างนี้มันก็ละได้พระพุทธเจ้ามีหน้าที่โปรดสัตว์โลกเป็นเช่นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามีหน้าที่สร้างบารมี มากว่องไงไพสาลมาเพื่อเมื่อได้ัดทารุแล้วก็จะได้ช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปไปได้ก็เป็นความจริงนะเพราะว่าเจ้าแต่ระพระ อ, องค์ช่วยมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายให้ได้บรรลุว่าผลเรามีเศษกันนับเป็นล้านๆโกดๆไปโน่นอืล เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าว่าเมื่อเราปฏิบัติตามจริงๆแล้วย่อมได้ผลคือพ้นจากทุกข์ได้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้